อระหะโตสัมมาสัมพุทธะข้อความในโกสัมพิยสูตรพระสูตรนี้เราคงขึ้นต้นอัตถกถาก่อนนี่แหละเพื่อที่จะได้เข้าใจประวัติของวัดโคสิตารามด้วยข้อความในอัตถกะถาปะปันจัสูทนีเนี่ย น, นะมัชฌิมนิกายมูลปัณ น, นาสกล่าวถึง อดีตการเมื่อนานมาแล้วไม่ใช่สมัยพุทธการก่อนพุทธการอีกเนี่ยนะมีแควนอยู่แควนหนึ่งชื่อว่าแคว้นอลิทะในแคว้นนั้นมีคนจนอยู่คนหนึ่งชื่อว่านายโ ก, ตกยโกตฮาริกะเนี่ยนายโกโตฮาริกะเนี่ยก็มีบุตรแล้วก็มีภรรยาอันนะบุตรก็ยังเป็นบุตรน้อยพอเดินได้คนเดียวทีนี้เขาก็อยู่ในแควนนี้ก็เกิดช้าตะกะภยัยก็แปลว่า ฝนไม่ตกเนี่ยนะเมื่อฝนไม่ตกนานๆเข้าแผ่นดินมันก็แห้งแรงเมื่อแผ่นดินแห้งแรงเพาะปลูกก็ไม่ได้เมื่อพ่อปลูกไม่ได้ก็อดอยากหิวโหวยนะคล้ายๆอย่างปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดฝนไม่ตกแค่อีกสักสองสเดือนข้างหน้าเนี่ยเดือดร้อนหมดเลยเนี่ยนะคงเสียหายประเมินตัวเลขยากเหมือนกันนะนะท่าเสียหายมากเขื่อนหลายๆแห่งมันแห้งขอดเนี่ยแนผะ่นดินนี่ก็เป็นรอยร้าว แผ่นดินที่แห้งหนะโคลนแห้งมันก็จะเป็นรอยร้าวเป็นก้อนๆก้อนๆก้อนๆมันเมื่อแห้งมากๆเข้าวแอข้าวมเมล็ดข้าวทั้งหลายที่เอามาเป็นมเมล็ดพันธุ์ก็เพาะหวานลงไปแล้วเมื่อเพาะหวานไปแล้วน้ําก็ไม่ส่งเมื่อน้ําไม่ส่งเข้าข้าวจะเฉาตายไปหมดบางทีเนี่ยเ้าถึงขนาดว่าให้ควายมันยังไม่กินเลยอ่างนั้นนะเพราะว่าป ก, กติเนี่ยกระหว่ามันแห้งขนาดนั้นเมื่อปลายปลายปีปลายปลายปีที่ผ่านมาก็ไปแถวแถวสุรินทร์เนี่ยนะ ก็ร้ายแห่งเป็นอย่างนั้นมันแห้งกรังนะบางทีเนี่ยเคยได้ข้าวเป็นเป็นร้อยกวียนเนี่ยมันเหลือไม่กี่ถังละเนี่ะปีงก็เหลือไม่กี่ถังเลยกล่าวว่าแทบไม่ได้มเมล็ดพันธุ์คืนอย่งั้นเน่ยมันก็พื้นที่ที่เพาะปลูกมันก็หายากเมื่อพื้นที่เพาะปลูกหายากมันไม่มีน้ําเนี่ยนะ ทีนี้ไอ้เมื่ออดอยากหิวโหยสุขภาพก็ไม่ค่อยดีพืชพันธัญญาหารก็ไม่บริบูรณ์โรคภัยไข้เจ็บก็เบียดเบียนก็เกิดโรคติดต่อขึ้นก็เกิดโรคติดต่อพรามหมูมแมลงวันเนี่ยมันเยอะขึ้นนะอดอยากไม่ใช่มแมลงวันลดน ะ, มะแมลงวันนี่กลับเพิ่มกลุมโรคติดต่อทั้งหลายก็ตามมาเมื่อมีโรคติดต่อกันตามมานี่ก็สองสามมีภริยาก็แอบหนีกันไปตอนกลางคืนระหว่าเขาถือว่าสมัยก่อนนี่ถ้าแอบหนีไปแล้วเนี่ยมัน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 สามีก็อ้อนวอนภรรยาตลอดว่านี่เธอทิ้งลูกคือะนะนะถ้าเรายังอยู่เราก็คงมีลูกกันมัง้งภรรยาก็บอกว่าโอ๊ยไม่ได้หรอกเน่ยก็จะได้ลูกคนนี้มาก็ไม่สามารถจะตัดใจทิ้งลูกได้นี่ตอนหนึ่งอ่ะนะก็บอกว่าเออเธอไปก่อนก็นแล้วกันเดี๋ยวฉันจะค่อยๆตามไปก็ให้ภรรยาเนี่ยไม่ใชาเรื่ออะไรนะแบกของอ่ะนะแบกของไปตัวเองก็อุ้มลูกลูกชายเนี่ยตามไปด้วย พอเดินเดินไปพอภรยาไปไกลหน่อยแกก็เอาลูกไปซุกไว้ใต้ต้นไม้อาลูกไปซ่อนไว้ใต้ต้นไม้ระหว่างที่เอาลูกไปซ่อนไว้ใต้ต้นไม้นั้นเนี่ยนะก็ทําเป็นเดินอ้อยอิงอ้อยอิงภรรยาก็ไปไกลก็ตามไปโู่นไปทันกันไกลเป็นกิโลกิโลก็เลยอ้าวภรยาก็เห็นเอาลูกไปไหนล่ะบอกฉันทิ้งไปแล้วชวนให้เธอทิ้งเธอก็ไม่ทิ้งทั้งก็เลยทิ้งเลย ร้องให้นอนกลิ้งอยู่ตรงนั้นบอะถ้าฉันไม่มีลูกฉั้นก็คงไม่มีชีวิตจะอยู่ต่อไปโคสกะเศรษฐีก็ไม่รู้จะทํำยังไงเนี่ยนะไอ้นายโกตุฮาริกะเนี่ยเมียร้องให้ขนาดนั้นก็ทํานี้ก็น่ก็เลยกลับไปเอาลูกไปถึงก็ลูกตายและกันนะมันก็มันคนอดอยากนะอดอยากเด็กมันก็พร้อมกระองอยู่แล้วก็ลูกก็ตายตรงนั้นก็กลับมาบอกเมียว่าลูกตายแล้วเมีก็เสียใจมากแล้วก็ยังเดินทางกันต่อไป ไปจนถึงณ ห, หมู่บ้านแห่งหนึ่งมีมีมเศรษฐีอยู่คนหนึ่งเป็นเจ้าของฟาร์มโคเนี่ยนะาเรียกว่านายโคบาลคนเลี้ยงโคมีโคอยู่ในครอบครองเยอะมากเพราะว่าเข้ามาในถิ่นที่ อ, อุดมสมบูรณ์แล้วทั้งสองคนนี้ก็ขอเข้าไปพึ่องอาศัยขอเข้าไปพึ่องอาศัยเศรษฐี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 เขาก็ได้ข้าวอย่างดีข้าวเขาก็ใช้นมสดนี่หุงปกติเราใช้น้ําหุงไงตอนี้เขาเป็นเจ้าของโคบาลนายเจ้าของฟาร์มโคเขาก็ใช้นมสดนี่มาหุงข้าวนะเขาเรียกว่าเป็นข้าวปลาหา้าใสน้ําตาลกรวดใสน้ําผึ้งใสเขาเรียกว่าใส่ครบเครื่องของเขาอะนะตามหลักของเขาเรียกว่าข้าวมาทุบปลาหญาก็กินข้าวไปเนี่ยนะก็นั่งกินข้าวแล้วก็แล้วก็เขาก็มีสุนัขโปรดปรานอยู่ตัวหนึ่งเป็นสุนัขตัวเมียเนี่ยนะ ก็กินไปก็แบ่งอาหารให้เมียให้หมาไปกินไปก็กินไปก็แบ่งอาหารให้ไปไอชายสองคนสองคนสามีภรรยาเนี่ยก็ไปมองเห็นเออหมานี่มันดีไมมันมันมันมันดีกว่าเราอ่ะนะคายๆก็แข่งกันระหว่างควายกับหมาไหนดีกว่ากันค้ายๆเนี้ยนะบอกว่าเออนี่ก็เขาคิดบอกว่าโอ้อนี่เราเนี่ยสู้สู้หมามัยังไม่ได้เลยดูหมาตัวนี้สิมันก็กินอิ่มมันก็นอนหลับ มันก็ไม่ได้อดอยากมันก็ไม่ได้แร้นแค้นอะไรเลยเนี่ยนะดังนั้นก็เลยบอกเออหมานี่มันดีใจนักก็ดูชอบไอนางหมาตัวนั้นหมายความว่าชอบชอบไม่ได้ชอบแบบนี้นะชอบแบบมันดีกว่าเราเหลือเกินเนี่ยนะอาจจะเข้ามาในบ้านนี้ก็เหมือนกันมาเห็นหมาอ้วนๆหน่อยก็เลยเออหมานี่มันดีมันยังกินอิ่มนอนหลับเป็นต้นเนี่ยนะลำบากเขาก็มีมีโยมคนหนึ่งเขาก็พูดแบบนี้เหมือนกันถ้าเขาจะขอเกิดเป็นหมาเขามาก่อขอเกิด แต่เป็นหมาบ้านผู้พันนี่แหละก็มีบ้านเนอะในทหารเก่าคนหนึ่งบอกถ้าจะเขาเกิดเป็นหมานะเขาจะมาขอเกิดเป็นหมาบ้านผู้พันนี่แหละบอกทําไมก็ดูสิผู้พันพูดกับหมายัางครับผมเลยเหมือนก็นอยากเกิดเป็นหมาบ้านผู้พันเนี่ยนะบางคนก็บอกโอ้ยหมากินดีเนี่ย ก, กินไก่ย่าง ก, กินไก่ปิ้งโอ้ยกินอิ่มนอนหลับสบายอ้วนท้วนสมบูรณ์เนี่ยนะนั้นดีเหลือเกินนั้นดีกว่าเราเร า, เราทำมาหาเลี้ยงชีพอยากเหงื่อแรงกายแทบไม่พอกินเลยนี่พร้อมกระรอง ทุกยากลําบากหรือเกินนี่ไอ้วันนั้นเนี่ยสองสามีภรรยาเขาก็แบ่งข้าวปลายาดให้ก็แบ่งข้าวปลายาดให้เรียกว่าสองคนอิ่มะนะทีนี้ภรรยาเนี่ยความที่รักสามีก็เลยรับแค่ครึ่งเดียวสามีก็จะได้ส่วนหนึ่งครึ่งเหมือนนเถอะปกตินี่ถ้ากินทั้งสองคนเนี่ยถ้าถ้ากินเท่าๆกันเนี่ยอาจสุขภาพพอเป็นไปได้ แต่นี้ไอ้ภรรยาก็ขอกินแค่หน่อยเดียวเนี่ยนะฮะไอ้ความที่สงสารสามีเห็นว่าสามีเนี่ยอดอยากมานานอยากให้กินให้อิ่มไม่เต็มที่เลยสามีก็แมอดอยากมานานเนี่ยนะก็เลยกินเต็มที่เลยเนี่ยนะข้าวมาัทุปลายาดกินส่วนตัวเองอิ่มแล้วก็เอาส่วนของภรรยามปอีกครึ่งหนึ่งก็อิ่มอืดเต็มที่เลยทีนี้พออืดมันก็ง่วงเนี่ยนะอาหารก็ไม่ย่อยอืดอัดอืดอัด ทีนี้พออึดอัดปั๊บเนี่ยมันก็ไม่ได้คิดถึงทองตัวเองเท่าไหร่คิดถึงหมาโู้หมาเนี่ยมันดีไว้ใช้ชีวิตมันยังมีอยู่มีกินหมามันกินอิ่มแบบนี้ทุกวันเลยเราเนี่อดอยากมาตลอดเลยมันหากินยากแท้เนี่ยนะก็เลยใจก็ผูกพันอยู่กับหมาอาหารก็ไม่ย่อยตกคืนนั้นก็ตายตายแล้วก็ไปเกิดในคันลูกสุนัขนั้นพอดีอไปเกิดเป็นเป็นลูกสุนัขในในหมาตัวเมียพวนั้นพอดีเลย จะไปไหนใช่ไหมใจพัวพันธุ์ถึงอะไรก็อันนั้นแหละพันไครแต่บางคนคนที่เขารักสุนัขเขาก็รักจริงๆนะรักโอ้ยรักมากรักยิ่งก็ลูกอีกนอนด้วยอะไรด้วยเรียกว่าอยู่บ้านเดียวกันใช้ชีวิตเหมือนกันก็รักทุกอย่างเลยนั่นเองบางคนก็รักมากบอกว่ายังไงยังไงก็คิดถึงอย่างอื่นเนอเวลาก่อนจะตายอ่างนั้นนะถ้าคิดถึงสุนัขก็ระวังนะอาจจะเป็นสุนัขตัวที่คุยรู้เรื่องที่สุดเลยนั่นเอ ก, ก็สุดความที่คนเนี่ยไอ้ผูกพันกับสุนัขบางทีก็ทําให้ไปเกิดเป็นสุนัขใช่ไหมกลายเป็นสุนัขที่คุยรู้เรื่องที่สุดก็เลยชมว่าหมานี่มันเก่งแท้หมาตัวนี้มันเก่งมันที่ไหนนะอดีตชาติมันก็เหมือนพวกเราเนี่ยแล้วมันพึ่งไปเองอะนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยคุยภาษามนุษย์รู้เรื่องกับเพื่อนเนี่ยนะที่ก็บางทีก็พึ่งมันมาจากความเป็นมนุษย์นั้นถ้าสังเกตนิสัยสุนัขบางทีมันก็จะคล้ายๆมนุษย์นั่นแหละ น, นะจาคล้ายๆมนุษย์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 พระปเจกพระพุทธเจ้าก็จะเหลือก้อนข้าวไว้ก้อนหนึ่งเลี้ยงลูกหม า, านะแล้วก็แบ่งอาหารเ ห, เหลืออาหารไว้ก้อนหนึ่งนะเพราะแบ่งปันให้ลูกหมาตลอดไอ้ลูกหมาเนี่ยความที่มันกินข้าวของพระปเจกบ่อยๆเข้ามันก็เลยรักพระนะก็เลยรักพระปเจกกับพุทธเจ้าเกิดความรักขึ้นในพระปเจกกับพุทธเจ้าเพราะอะไรเพราะให้อาหารมันก็อย่างว่านะโดยปกติเนี่ยใครที่มีอุปการะคุณกับกับตนนะตนก็ย่อมที่จะรักที่จะชอบใจบุคคลนั้นอยู่แล้ว ทีนี้พระปเจกกับพระเทธเจ้าเนี่ยก็สร้างบรรณาศาลาเนี่ยนะสร้างกุฏิถวะไม่ใช่นายโคบาลเนี่ยสร้างกุฏิไว้ถวายพระปเจกมันเวลาก็ก็อยู่ในป่านะก็จะนิมนต์พระมาฉันที่บ้านทุกวันทุกวันก็ก็จะไปนิมนต์ไปอะไรแค่ว่าไปรับบาตทีนี้วันไหนถ้าตัวเองไม่ว่างก็จะส่งลูกหมาเนี่ยไปจะส่งหมาตัวเนี่ยไปนิมนต์พระนะหมามันก็รู้เรื่องอ่ะนะมันก็ไปไปก็ไปนิมนต์พระปเจกไปถึงก็ไปเห่าอ่ะนะเห่าตาม ระเบียบอะไรเขาว่าไปพระปเจก็รู้อยู่แล้วก็เดินตามมาด้วยนะทีนี้บางวันเนี่ยพระท่านก็แกล้งะดูที่หมามจะรู้จริงหรือเปล่าท่านก็แกล้งเดินออกนอกทางหมามก็สกัดไปเห่าขวางเลยนะพระก็ไม่สนใจก็เดินไปทีนี้ลูกหมาบอกเอ๊ะพระไม่กลับแน่นอนก็เลยไปคาบจีวรดึงนะพระก็ยังไงก็ต้องก็เลยต้องไปตามหมามั้นเดี๋ยวพระหลุดแต่ว่าลำบากไปตามหมาก็นิมนต์พระไปฉันที่บ้านจนตลอดพรรษา พันธุ์ไอตลอดพรนศานี่ก็ให้กินข้าวทุกวันทุกวันเนี่ยนะพันก็หมาก็รักพระปัเจกกับพุทธเจ้าเนี่ยมากทีนี้พอออกพรรษานายโคบาลก็เตรียมเข้าวของเครื่องใช้ถวายถวายผ้าไตรชีวอนแด่พระปัเจกกับพุทธเจ้าพระปเจกกับพุทธเจ้าบอกว่าอาตมาจะไปทําชีวอนนะจะลาไปทำที่นี่ไม่ได้หรอบอกว่าที่โน่นที่เขาคันธมาดยังมีเพื่อนพระช่วยกันเย็บช่วยกันย้อมที่นี่ไม่มีประาณนั้น ก็เลยบอกอย่าไปเลยถ้ายังไงถ้าไปแล้วก็นิมนต์กลับมาอีกนะก็นิมนต์กันไปพระปเจก็ไปทีนี้ระหว่างไปเนี่ยนะก็ได้เวลาบอกเวลาลาขณะที่พระปเจกพระพุทธเจ้ากําลังเดินไปเนี่ยนะหมามันก็วิ่งตามเนี่ยนะก็วิ่งตามพระปเจกก็ในที่สุดท่านก็เหาะไปทีนี้หมาก็ดูพระปเจกก็ตรอมใจตายเนี่ยนะหมาตัวนั้นคิดถึงพระนะตรอมใจตาย เขาบอกว่าด้วยจิตที่อ่อนโยนด้วยความรักที่มีต่อพระประเจกภพษาชาติเนี่ยนะมันก็ไปกลายเป็นศรัทธาไปนะตอนแรกมันก็ไม่รู้เรื่องอะไรแต่มันก็มีความรักกันนะก็มีศรัทธากับพระประเจกภพษาชาติเขาเรียกว่ามีมีใจอ่อนโยนแล้วก็มีเมตตาจิตมีความหวังดีเนี่ยนะเขาเรียกจิตอ่อนโยนต่อผู้มีศีลก็ไปเกิดในเทวโลกมันใครรักหมาเนี่ยนะอยากจะให้แบบหมาไปสวรรค์ตามไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นอะไรก็ ทำไงดีรักษาศีลให้ดีๆเนี่ยนะเมื่อหมาอ่อนโยนน่าจะได้ไปดีมั่งอย่างนั้นพอจะโปรดกันได้มั่งกับตรงนั้นอ่ะนะจะไปให้บอกหมาเอ้ยให้ทานเธอเนี่ยนะรู้จะคุยกันยังไงใช่รักษาศีล น, นะสมทานกรรมบทบอกมันยากนะก็ได้อยู่ใกล้กับผู้มีศีลมีธรรมเป็นต้นถ้ามันมีจิตอ่อนโยนกับผู้มีศีลตายไปมีผู้มีศีลเป็นอารมณ์ก็พอจะไปดีได้บ้างทีนี้เมื่อเทพบุตรนั้นเนี่ยนะ เทพหมาตัวนี้ก็ไปเกิดเป็นเท พ, พบุตรเป็นเท พ, พบุตรมีเสียงกล้องเพราะอะไรเพราะเคยเห่าด้วยจิตที่อ่อนโยนในพระประเจรกับพุทธเจ้ากลายเป็นโคศกไปเลยก็พูดเสียงดังแค่พูดเบาๆเนี่ยนะวู้ดังสนัน่นบอกว่าวถ้าเกิดสมมติถ้าเกิดวันไหนครับเปล่งเสียงสุดแรงเนี่ยนะดังกลบเทวโลกหมดเสียงดังมากก็พูดปกติเนี่ยคือบางคนเนี่ยพูดแบบเงียบๆ ง, บงุมือนิ่มๆลับๆแล้วลอไปนะ เสียงมันจะดังตลอดเลยเนี่ยนะบางคนก็ประเภทเนี้แต่เนี่ยพระประเจัเทพบุตรคือโคสกะเทพพระบทเนี่ยความที่เคยเห่าพระเอ่อเห่าด้วยจิตเลื่อมสายนะไม่ใช่เห่าหาเรื่องมันก็มีเห่าหลายประเภทเห่าแบบเห่าเพื่อเจอือเห่าเพื่อเจอือสังเกตไหมหมาเห่าเพื่อเจอือมันเห่าไปเรื่อยหมาใบตองแห้งอะไรมันเห่าไปเรื่อยถ้ามันเห่าแบบพยาบาทนะเห่าแบบโทสะนะแบบพฤทธสวารนะล่ะมันเห่าเอาเรื่องมันเห่าแบบจะฆ่าคนนั้นให้ได้เลยนะ ก็มีเห่าหลายประเภทแต่เห่าหมูสาคงไม่มีมั้งเนาะมันก็มีเพอร์เจอร์กับเนี่ยเพอร์เจอร์กับสัมปะปะนี่ก็มีอยู่สองเอ้ยไม่ใช่เพอร์เจอร์กับพุศวัจา น, นะที่นี่เทพบุะบุคนนี้เนี่ยนะไอความที่พื้นฐานอุปนิสัยตัวเองเนี่ยนะอดอยากในชาติที่เป็นนายโกตุฮลิกะก็อดอยากชาติที่เป็นสุนัขนี่ก็แหมมันมันก็ทําอะไรไม่ค่อยเป็นอิสระเท่าไหร่ ก็เป็นสุนัขพอมาเป็นเทพบุตรเข้ามัวเมามากเลยเพลิดเพลินในกาลมคุณบริโภคกามาคุณเที่ยวกินดื่มมีความสุขมากจนลืมกินว่างั้นเถอะเที่ยวจนลืมกินอ่ะนะเทวดาเนี่ยไม่เหมือนกับมนุษย์เทวดาถ้าลืมเลยเวลาอาหารไปมื้อหนึ่งตายมนุษย์เนี่ยเลยไปตั้งเจ็ดวันไม่ได้แต่เทวดาเลยไปมื้อเดียวก็ตายแล้ว